ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตถิอตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นปุถุธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตน เป็นเหตุให้สอบแสวงอัตธรรมจากตำหรับตำราจากครูจากอาจารย์ในทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายเพื่อสอนเราได้ย่อมสอะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้น เป็นธรรมดาของความรักตนโดยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรกเพื่อให้กิเลสด้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมา ภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคากินนาโทสักกินานามหอกกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยู่ภายในใจทั้งทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือ ด, ดับไฟเหล่านี้ได้ จึงต้องได้เสาะแสวงหาถูหาอาจารย์เอนเป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ท่านผู้พิเศษทั้งหลายที่เป็นรัตนะของพวกเราท่านสิ้นจากไฟทั้งสามของนี้แล้ว จึงสามารถประกาศตนได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วและสมควรรับการกราบไหว้บูชาของประชาชนหรือสัตว์โลกทั่วไปได้มีบรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างไกลมากจริงๆก็มี นี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟันอุอปสรรคหรือการบุเบิลอุปสรรคเรื่องกิจ ข, ขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกัน แต่สัมพันธ์สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องในสาะแสวงหาบุคบันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่ เป็นค่าสุดต่อตีใจยาได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำว่ a เป็นความลำบากลำบนมาทานั้นเท่านั้ น, น, นและ้ต่อไ ป, ไปนี้ก็จะต้องทำเป็นทเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาราอาใจท่อแ้อ่อนเอ๋งในข้อวัดปฏิมิ ถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สําคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกําลังความสามารถถึงบางครั้งบางครั้งถึงกับต้องสียชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ําลงไปอีกว่า เราทำเช่นนั้นเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้แลวควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะวังความประสริแต่ตนเอง เ้าคิดไปอนาคตก็คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหยิมต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดลนะต่อยว่านี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้ว และได้ผลเป็นที่พอพระัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดและออเข้าไปโดยลำดับ สมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโม่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมาไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อน แต่ละรายละลายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนําตักเตือนสัส่งสอนเต็มพติกําลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดําเนินเพื่ การถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภยัยนนสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือพิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็กดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิพิจารณาใน ทำเนี่ยใดบวใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะาธาตุขันเป็นสมมุติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรา มาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่ ว, วไปจำต้องเยียารักษาจำต้องมีที่อยู่เกียอาิสายปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอนิเศสศศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการคาจัดทิ่เลสนี้ไปเสียเท่านั้น เพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจรึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่หีเเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเองให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นไม่ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทา ความเคลื่อนไหวของกายเชื่อนการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทางานการพินิจารณาในธรรมที่เรียกว่ากิจตภพรวนาแต่และแง่และกระทงล้นแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้และเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับส ม, มณะคำว่าส ม, มาณะแปลว่าความสงบ งานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความตกกรบปรกรอบลุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมา ด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียรอันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิรียาบทงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตน งานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอ า, ศ า, ศ า, ศาสวะทั้งหลายค่อยๆเบาบางและหมดไปโดยลาดับโดยตรง <c oughs> ไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สําหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสําคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสําหรับเราเอง พอพิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดําเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้างเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั่นสร้งนี้ก็เคยทําเรียนหนังสือก็เคยเรียนต่างจิตตัางใจทําทุกด้านตามความที่เห็นว่าจําเป็นต้องทำํำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติกิตตภวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วปัเหตยคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานกิตตภวนาเพื่อรื้อถอนกิเลส อันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตาพรนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้จิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับลำดับและยังเชื่อ อย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนในถือ ง, งานเหล่านี้เป็นงานสําคัญงานได้ล้นละปล่อยวาง <c oughs> เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อน ที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมานและอยากพบเห็นมูเพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับลมมีความหงใยในหมู่คณะและให้อุาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละต่อยว่ง แมงานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่ขนาดนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่ด้วยมา เพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความบุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัจเพื่อทำเพื่อความบุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเน็ตเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพติกาลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะ ให้ อ, อวาดคระคุมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือเป็นคถือนี้เป็นคติสังใจอย่างลึกที่เดียวคำว่ากิเลสมีเป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยอยุแย่ก่อควรคอยแสดงอกัริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุด ไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นชิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุ่ยแยก่อกวนจิตใจมากที่สุด ห, หาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรมทางด้านอัดรมเลยจึงเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นมีเท่านั้น พอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้นเรศที่มีความหนานแน่นภายในใจของเหล่านั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้ หากมีอาจมีทำบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆมันถ้ามาใช้เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยนี่การอยู่ในถ้ำกลางแห่งกิเลสอาสะวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้าหมาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้ <c oughs> เองไม่เป็นที่ แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรทะเลคือเกลเอประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจรึงควรสาะสแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาค พ, พื้นรักษาอยู่ตลอดเวลา สมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนุ่เหมือนกัน ใ, ใจเราได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจผปผลอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญ ยังเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลส จ, จะยังไม่คิปหายตายไปสักตัวเดียวี่เลสก็สงบก็เหมือนกันกบคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาและใช้ไปโดยลำดับ สิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเอเิดเผย อ, ออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของรติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจรารณานี่ละถ้าว่ากว้างก็เหมือนมาหาสมุทรขันของเหล่านี้ จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกหินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามาหาสมุทรได้อย่างไรนี่ปัจติปัญญาที่จะบุกเบิกฟ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในกุณฑกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้ว ว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็น ท, ทั้งที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจิงไม่เห็นอีกนอกจากเราไม่พิจรารณาคนดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยจิงต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใด จะเป็นประเภทอาซุพอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเฉยมีไหมายในสกุลกาลตั้งแต่เบื้องบ น, บนลงถึงเบื้องต่ําสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไระจู่ภายในมันเต็มไปด้วยของที่สะอาดปฏิปูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจีิงทำไมเราจริงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของรพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไปแล้ว แม้กำแพงเก็บชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลยทำไมเราจึงมองไม่ทะลุแทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดอีไม่แตกเป็นไปไว่าอะไรควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรกเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยด้กันอยู่ที่ตรงนี้ ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณ า, าเลาด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจใครรู้ใครเห็นจริงจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิดเลสครอบ หัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจินในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างไรนี่ควรจะตั้งเป็นมันหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไตยสวนโตวาทีกันที่ขันพระสานเอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไร นี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภาอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจับตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นตัวแหว น, นกิเลสมันปิดกัน้นไว้ไม่เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมคล้องหมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใครชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่ง ป้อมอย่างชัดเจนเรายัางยองเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปูมเท่านั้นไม่มีทางชมเชยเพราะของจริงแท้แท้เป็นอย่างนี้ของร้อมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภา ห, หนึ่งเหมือนกันอันนีน้ิเป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาต์ อันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขงังนัตตาก็ามีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกรเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้ให้เข้าใจกันในเมื่อนี้ประจับใจแล้วเรื่องอันนี้จังทุกขงังนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหน พิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นกิ่นเกี่ยวโยงเนี่ยเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกก็จัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นอะไร คนตาอเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นกลิ่นเป็นถึงไหนแล้วอืมเราเป็นพระนี่แหละปายในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคื อ, อเป็นอย่างไรถ้าคืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจ ะ, จะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่ผึงปรารถนาคือความปัจจุบันเหล่านั้น แล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวอาปาทิกูลตัวอสุภาอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทําลายทําไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจึงไม่เปื่อยไม่เน่าจึงไม่สลายไม่ทำลายนี่มันจึงไม่เป็นของปฏิคูลมันเป็นเพราะเหตุไรแต่เราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่น ทำให้ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งนี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมจะมันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดทำบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจัง มันติดแนบกันไปกับคำบุริก ร, รมไม่อยอมให้เผยเป็นก็เป็นตากก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆที่เฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้วและพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าลงจินจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาไม่มากก็ น, น้อยเป็นเงื่อ น, เ, นเป็นสักีพยานได้โดยไม่สงสัย นอกจากจะทำหลาะแหลเหล่อแหลกเหลียวไหลวันไหนก็เลียวไหลไหลายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลีวไหลในตัวของคนนั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักพ่อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปนั้นท้องมหาสมุทรมหาประโยชน์นี้กันนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลาย กลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันถูดล้งไปทำแทรกคือความจริงนั่นน่ะแท็กเขาไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จุปากฏอ๋ออาระจนะอันเป็นไงควาภาพเาพื่อนอันผูกพ้างหงวัวหนุกตาบอดทั้งหลายผสมกันยุ่งหงวัวสมกันเข้าไป พูดบ่นพิไย ล, ลำพันตั้งแต่เรื่องปกติจะพักจ้าจับไปเร่งเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของตาของขันแต่ไม่ย้อนมาคิดถึ ง, งเรื่องี่เลจมันผูกพันอนในใจจยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิ ด, มดปิดตาไม่คลี่คล า, ายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจ อยู่ที่ไหนจริงมัวสมกันจนแต่ตเรื่องเดียวพระติกษตท์ถ้าไม่สนใจเราใครถ้าเข้าในป่าเนี่ยเงียบเงียบเงียอือทีนี้พวกบ้าอะนี่ผมนําเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจ้ากล่าวทูลว่าพระติกัตไม่มีความจํารักพักดีต่อพระองค์นั่นพวกบ้านเป็นพวกพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียอื่พิจารณาที่เราอยากเข้าใจว่า ในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสานั้นเป็นผู้ผิดไปเขียนแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศ า, าสดานะครับสั่งมาจะรู้เต็มพระทยพรรับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลพูดสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมาสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็จัถามเราว่า นายพรติดจะไม่ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาคตเป็นความจริงแค่ไหนอข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเป็น ห, หัวใจเถิดข้าพระองค์ไมืไ่อเข้ามามั่วซุมอยู่กับหมู่เพื่อนพ่อพิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องป ร, รินิพานอย่างแน่นอน จึงรีบเบ่งขนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงประชวรอยู่หากพ่จะพอหลุ่พ้นไปตามาเสดงได้ก็ตามแสดงได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเบ่งขนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนาตทรงประธานสาธุกการสามห่ดมดีแล้วกิตติบดีแล้วไหยอย่างนี้แลยเพื่อบูชาร า, าษฎร์นั่น เราได้ปฏิบัติทำทุกคนจะทําชื่อว่าบูชาสาคตนั่นนั่นคือความคิดถูกนี่ก็เรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันไหลมันจะตายก็รีบเร้งสอเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยนังเนื้อเอก็กระดูกทั้งทอนนี่มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรม ที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ข้างมันไม่ออกแกะมันไม่ออกอะมันจะไปะเห ย, ยียบย่ำทำลายนิบา ก, กรรมที่ทำเพราะอํานาจของกิเลสมันเป็นฝ่ายต่ํานั้นมันก็จะสูดล่างลงไปเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้มีทุกข์มีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุก ป, ประเภทเป็นไปโดยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกข์เพราะความภาคเพียนมันเป็นทุกข์ที่มีจุดหมายปลายทาง พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นลงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วแต่สินฝ่ายไหนจะแพ้ได้ชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลําดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเปลี่ยนของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์วันนี้ข่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นมอบราดลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไป ด้วยอำนาจของตปธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสําคัญหนุนกันไปโดยลำดับบรรดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้อา้าถ้าทุกให้ทุกแบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคุอย่าเป็นมัวแบบถามทุกจุดในวัฏจกักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเปลี่ยนเป็นทุกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกไม่ได้ น้อยให้ยิงให้จังเองทุกขนาดไหนก็ทุกเถอะทุกในการต่อสู้กิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกมาแล้วพระสงฆ์สาวกองคอะไรก็พาทุกมาแล้วเหมือนกันทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างไปที่อื่นปีแวบไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหาง ก, กันไปต่อสู้กันไปโรคภูมลั ง, ลงขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นกเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดเราออให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอูดทั้งเปรยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมาติดหลังติดคอไปเลยอืมต้องการล่มที่ไหนร่มไปเถอะวิเลฒมันตายเรื่อเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มา พิเรนมันก็ตายราพร้อมๆกันละเราทาก็เตรียมพร้อมให้แล้วเสื้อก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยอบ้างอะไรกัญชากขาบอกกัญชากรอบกรอบมัดใั้เลยติดปากเลยมันกรอบกรอะแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์ที่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอน ใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์ใครจะสงสารเมตตาแบบสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการไหนใครจะเป็นผู้สอนก่อนท่านม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องพร่ำสอนก่อนอื่นเลยเนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิบัติธรทางสายเดียวนี้เท่านั้น ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้เนี่ยยกเครื่องมือนี้ขึ้นเปล่าตกกิเลสกิเลสก ล, ลัวเพรา ะ, ะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเอาให้มันจริงมันจางลงไปผมก็เคยพูดให้เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันจริงเรา ป, รปรลีกปลีกจากนิสยัยตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทํามาอย่างนั้น พูดเออหนึ่งดีเออเนี่ก็ดีเรื่อยไปผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำเหมือนนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่ั้วนมาพิจารณาดูหมู่ั้วท่านทํานั่นทำนี่ก็ก็จ๊คของทนเราไปเดินยวงกรมมันจะตายนมาจะไม่ได้เรื่องเลยเรานั่งภาวนาก็เออจะเป็นยังไงท่านอย่างนี้ท่านท่านก็ยังห็นสบายสบายเราทำความเปรียบแทบตาเราไม่เห็นจะหายบางทีก็เลยลองลองเอาอย่างท่านดูอืม ฝึกหายเบื้องต้นนะลอ ง, ลองนั่งพักสมาสมาสักหน่อยเลยถึงไม่ทําอะไรก็ทาใหาพักสมาสมาอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนนะ่ะทีนี่เรื่องมันกวนมันกวนขึ้นเรื่อยเรื่อยอืมเราทําอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นมาเนะมือไปนั่นก็จับมัดคอเข้าทางกลมทางกรมเปลี่ยน้เข้าความเปลี่ย น, นที่นั่นนะ เห็นหน้าจับหยาบขีบหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะโอ้โหลำบากจริงจริมันก็ได้ผลมาโดยลาดับเพราะความหยาบหยาบของเราทําอย่างหยาบหยาบของเราเนี่ยเนี่ยมันบอกมาโดยลําดับทคำลูกคทําไปสบายสบายเหมือนหมู่เพื่อนทหลายเราทําไม่ได้ มันต้องเนื้เอากันหนักมือหนักมือหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องหนักมือบานดังที่เคยพูดในฝั่งแล้วเรื่อยๆนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองอืมขึ้นว่าขี้ขึ้น่ว่าขี้เล็วแล้วมันมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละจะไปทําแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราเอามันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลย กำแพงมันนนหนากับลูกระเบิดปาเข้าไปเยียมันแตกกระจายหนึ่งเราจะไปค้อนปีตะปูไปเคาะปอกๆได้เลยกำแพงนั้นหนาโยนระเบิดเข้าไปยี่ต่มันมันทางตลายนี่กระทหนึ่งไปที่สติกําลังของปัญญาความภาพเพียรยังมีมากน้อยอย่างไรฟาดกันลงไปอาตายกัมันเห็นนี่วะอืมไม่ใช่จะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชายชนะต้องอยู่ด้วยกัน แยกจากกันไม่ได้เอาไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกนั้นมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยเลยไม่ตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่เนี่ยแต่ทางคอมเพียนไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าจนได้ชนะประโดยลำดับถึงไม่ถึงจยชนะอันสมบูรณ์ก็ เป็นชายชนะประเดิมลำับเพราะความเพียรนี่เพราะความทุกในการประกอบความเพียรนี้ไม่สงสัยนี่คิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทําได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตําหนิตัวเองน่ะไม่ได้ยอนนะคิดย้อนหลังมันละคือทุกวันนี้มันทําไม่ได้นี่ จะทำได้ไงกําลังบางชามันก็ไม่มีจะทำอย่างนั้นมันตายจริงๆเนี่ยทุกวันกําลังภาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วกําลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูที่จะมาเร็วกันแล้วแต่หมูเพื่อนจะพิจารณากาลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปประจามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าไล ไม่มีจุดไหนลราเป็นจุดสำคัญจุดท้นทุกเท่านั้นนี่ยมืันตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเปลียนได้หรือมันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจําเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข่งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้น่ะแต่เป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทรลุเลย ทุกไหมขนาดนั้นท่านพี่นายนยนหลังดิงโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทําได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เนี่ยอย่างนั้นพอดีเลยคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันปุ่นยังไงอ่าค่าศึกกับการลบมันเจอกันเจอกัน หนักแน่นขนาดไหนค่าสิดมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทําหมดแอร์ก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกําลังเข้าไปจึงระทั่งมันได้หลักได้เก่งขึ้นมาได้หลักได้ขึ้นมาความเพียรมันค่อยเป็นงมันไปเองทีนี้ค่อยหมุนไปหมุนไปหมุนไ ป, นไ ป, นไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นมาทุก อ, อืทุกหากไม่สนใจในทุกเท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกก็จะเหมือนเป็นเหมือนไมทุก เามาพักรบชั่วขณะนี่โอ้โหมันจะตายหายใจเขมเหลแเขมเหถึงต้องคิดืเราคิดเราพลาดแต่ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดลอเข้าไปเท่าไรมันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาณะก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพน่นมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่ มันจะไม่ปฏิเสยกันได้ยังไงผิดทั้งเพยความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ทั้งที่ปรากฏอยู่ลานนี้นี่มันมีเวลาว่างได้เยื่อไรทุกขนาดไหนที่นี่ทุกทีหัวใจทำงานไม่ทุกที่เลยมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าคามุ่งมั่นมันไปทุ่มนั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมด เรความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเฉยๆทุกว่นหนูยว้วาวมาในเรื่องเนี้ยแต่ว่าเลีวที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กําลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉยๆที่ว่างความนี่เป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสมแคลวพาแคลวพ า, วาวหรือว่ามันออกแสมแคล้วพาวพาวกาอืา้หรือว่าผับผับผับนก็ได้ มีหนื่อยที่ขนาดที่แบบสมมติว่าเรานั่งนะมันทุกข์มากมันจะสู้นไม่ได้จกนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นน่ะทางนี้มันมันจะไม่แข็งแกร่งยังไงพอได้สติแล้วจะขึ้นมาลุกลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยต่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ตัง้งแต่ที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้แบบนั้นเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบ <c oughs> เ ป, เปียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละอืม กำลังต่อสู้ทุกเวรนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติตังสลบทล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทั้งหายก็ตามเถอะพอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการาที่กําหนดกันไว้หรืจนทะลุมันก็ไม่เคยสลบทะคาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบา้บาบา้บาเราบอกกระทุมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่น เนยมันมันแขันมันแขันกินความมุ่งมั่นมันมากกําลังจิตมันมากพลาดขันมันก็อํานวยกําลังจิตก็มากแต่เวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็มาอ่อนโยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอย่างนี้มันก็คลองประจวบหกล้มกลมกราบอยู่แล้วนี่ยมันจะไปต่อสู้อะไรได้กําลังจิตก็ไม่มีนะมันไม่มีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรมีเหมือนหัวตอก็ว่า ได้เป็น เ, เพียงมันรู้อยู่เท่านั้นเราจะมันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งอย่างอยู่ทุกวันนี่ก็อยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกผู้สารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากดูได้ทำแหละปฏิบัติอยู่อย่างนั้นความมุ่งของไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนัก็ไม่มีกําลังใจด้ ปฏิบัติไปก็รู้เองแต่ถึงขั้นมันรู้ทาไมเ <c oughs> ปลีนได้เหรอสารทีิโกประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดทำให้รู้เห็นได้จริงอย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วย อ, อำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยไปตำหนิมันมน้อยมากมันก็เต็หมหัวใจอยู่นี่ เยเหลี่มันมีมากมีนอ้อยเท่าไรมันไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหละกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นคิดที่ไปง่ายนั่นอำนาจวา ส, สนาน้อยหน่อยที่ไหนออืแล้วต่อสู้เดลี่ยมอยู่เลยตอนนี่เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเรามมาต่อสู้กับยี่เหลี่ยมได้ยังไงเรากป็นนักวาสนาแล้วเนี่ยกำลังต่อสู้ยี่เหลีอยู่เลยลอนนี้คนที่วาสนามนไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้อ นอนแผล่องหนึ่งให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกหรือเราไม่ได้แผลมันนานอกจากจะฟาดกุญแจให้มันแผ่ช่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาอืพล็กปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ บ, บ, บอีกอันนีว่าปัญญางั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้ดดกิเลสไหวพิบ ป, ปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาอย่างนั้นแก้กะไรอย่างนี้ปุ๊บอัเนี้ว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกัน มก็อดเป็นออกตามนิสยัยในหนด้เพราะเราเคยทำมานะจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงเลกตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความสัทความจริงของตัวที่ตั้งไปเรียบร้อยแล้วนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันขาดไปเลยตายก็ตายไปเลย อย่าไปคิดหาติดไม้ปลายทางไม่ได้นั่นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมกับความทุกข์เพราะความเพียรที่จะฆ่าทิเลดศอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันที่จะน่ากลัวมากกว่าคือความทุกข์อำนาจพ่ออำนาจทิเดศมันมากกว่ามันน่ากลัวมากกว่าความทุกข์ทางความเพียรที่จะฆ่าทิเดศเหมือนหน้าโลกธาตุเหมือนไม่มีอะไรมันก็เห็นสิ มีธุรกิดดวงเดียวเนี่ยลิบๆตลอดเจ้าของตลอดเวลาโห้ยเป็นภาพทุงวันยั่งค่าคืนยั่งรุ่งขันเนี่ยแต่มันมีตัวส่งเสริมมีตัวหนุนมีตัวเจ้าของบังคับมันให้มันแสดงตัวน์มันไม่เป็นขันร้วนๆเหมือนขันพระรหันธ์ท่านเวยขันอันนี้มันขันของจิเล็เป็นเครื่องมืองจิเล็ตจิเล็ตเอานำบอกใช้ทุกเวลาปรุงเรื่องนั้นอปรุงเรื่องนี้ดูที่ดวงใจมันเป็นอย่างนั้นตลอด มันไม่มีอะไรเลยนี่แต่ใจดวงเดียวนี่หลอกสองของรอบด้านไปอดีตกจนสุดะกําลังที่จะไปไปอนาคตสุดกําลังแต่ความจริงไม่ทราบเป็นยังไงไม่เห็นได้เรื่องหากคิดหักปรุงหักแตง่งหากเชื่อความคิดเพลินไปตามความคิดตัวเองดีชั่วมันก็เพลินไปตามมันพอใจด้วยกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งเรื่องของสุขของทุกข์ที่สวยจนเพราะขันมันตุงออกไปเพราะหน้าขี้เลย ทำให้หลอกเราได้ตลอเวลานี่ที่มันเป็นความเพียงไม่ได้มันมีแต่ดูหนังตะลงุงมันหลอกเผลนดูอย่างนั้นดึงเนื้อดึงตัวไม่มีสติปัญญาที่จะไปจดจ้องดูเรื่องของมันตัวแก้ไขดัดแปลงเรื่งนี้มันเบาบางไปได้นอนขั้นสติปัญญามันพ อ, พอตัวแล้วมันถึงจะเห็นได้ชัดทีเดียว เรื่องขั้นสงบก็พอทราบได้ว่าจิตที่เคยวุ่นวายเปเรื่องราคะตัณหาต่า ง, งๆมันรู้ได้พอสงบแล้วมันก็ไม่ยุ่งกับเรื่องอันสงบสบายบ้างสิงเนี่ยนั้นก็เพิ่มความสงบเข้าไปเพิ่มด้านสติปัญญาถากถางไปเรื่อย ๆ, ๆ, ไ ๆ, ๆไปต่อไปมันก็เป็นกิ่นเป็นก้านแตกแขนงไปสติปัญญาแตกแขนงไปเรื่อยส่วนสมาธิในเวลามันกล้าขึถึงขั้นปัญญาอย่างเป็นที่แล้วสมาธิมันเหมือนไม่มีนะ มันไม่มาเพลินกับสมาธิละงานเก้กิเลสเป็นงานที่เพลินมากกว่าเพรา ะ, ะมันจึงติดพันกันไปนั่นกลายเป็นอุทัจะไม่รู้ว่าอุทะจะคืออะไรก็คือความเพลินในการคน่งการพิจิตพิจารณาจนไม่หยุดยัง้งพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยนั่นแหละเรียกว่าอุทะจะเราไม่ทราบแต่ก่อนอุทะจะคืออะไรในตํำราบางแห่งว่าอุทะจะกุกุจะ ความฟุ้งซ่านน้ำคาญไปได้วหรือเป็นแบบนิวรณห้าไปเสียอ น, นุทาจารนี้ไม่ไม่ใช่อุทาจารของนิวรณห้าเป็นด้วยจารที่มีความมุ่งหมายต่างกันอันนี้เพลินในความเพียนเพลินในการแก้กิเลสแต่ว่าเพลินจนลืมเวลาเวลาที่จะพักผ่อนจิตใจอันนั้นมันเพลินไปตามอำ น, นาจของกิเลสปัญหาจริงๆรน่ะอันนี้เพลินไปตามหน้าของธรรมมันผิดกัน อุทัศจารูป ร, ราคะอารูป ร, ราคะมันเป็นภาพอยู่ภายในจิตรูป ร, ราคายินดีไม่เช่ราคะกำหนัดเหมือนอย่างแบบโลกสงสารสามัญธรรมดาทั่วไปนกำหนดกันนะแต่ว่าไม่มีคําอื่นที่จะเหมาะสมนมามชาติทักษะว่ารูป ร, ราคะคือกำหนัดในรูปอารูป ร, ราคากำหนด หมายถึงความยินดีนั่นแหละยินดีอย่างละเอียดเท่านั้นแหะมันไม่ใช่เป็นราคะตัณหาแบบโลกของสารนะแต่มันไม่มีคาที่จะมาช้าทั้กับช้านั่นแหะให้มันเข้าถึงความจริงมันก็รู้กันเองความยินดีเนี่ยท่านเรียกวาราคยังมีความยินดียังมีความผูกพันกันอยู่กับอันนั้นอันกระรูปราคะที่ยันเติมภาพอยู่ภายในจิตอรูปราคะกับยินดีในสุขเวทนา มันไม่มีภาพอลัสตากฏมันว่างไปหมดมันก็นยินดีในสุขเวทนาของตัวเองมันอุปราคามานะก็ถือความรู้นี่แหละที่เต็มไปด้วยอวิชชาเนี่ยถืออันนี้เองมันก็แยกเป็นเป็นมานะเก้าก็เอานี้ออกเป็นเขี่ยวเป็นเขาขึ้นมายกเปรเียบลายนั้นยกเปรเียบคนนี้คนนั้นจะต่ำกว่าเรานี่เสมอเรารี่สูงกว่าเราเ อย่านี้เป็นต้นคืออันหนึ่งอันหนึ่งนี่แยกกปนอันสามคือต้นต่ําของเขาสําคัญว่าเสมอเขาหรืสูงกว่าเขาเนี่ยต้นเสมอเขาสำคัญว่าต่ําว่าเขาหรือเสมอเขาหรืสูงกว่าเขาต้นสูงกว่าเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขาเสมอเขาเนี่ยม่นะอันตัวเนี้ยตัวความรู้อันนี้เทียบอุตสาหะดังที่ว่า วิชชาแบบปัจวุบันอะไรกต่ น, นี่แล้ววิชาตัวรู้รู้ที่ยกออกไปอวดที่มันมันกลายเป็นมาหน้าเก้าตรงนั้นนะทนายมีอะไรนี่มีอะไรที่สามารถยกออกมาอวดไม่เห็นมีนี่เพราะไม่ใช่สมมุติจะไปอวดกับสมมุติได้ย่างไงอืม มีมุดมีอันเดียวเท่านั้นปสอนกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งกันสมมติเขาก็เป็นอันหนึ่งทางหาของเขาแล้วพิจารณาแยกตัวกับสมมติจะไปสู้กับสมมติอะไรไปแข่งกับสมมติอะไรทำอะหรแข่งมีแต่ผมบ้ า, าอะไผมบ้าแข่ง อ, อะไรมาแข่งมีเอโกอันเดียวเท่านี้นเอกนะฟังเยอะถึงท อันเอกและอันเดียวจะไปแข่งกับอะไรนี้อันเดียวถ้ามีสองจะเป็นคู่แข่งคุณ ม, มก็ตัดเอาหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วเา้วาเรามัแข่งมันจะไปแข่งกับอะไรเนี่ยเอางั้นแล้วทุกเรื่องความเพียงก็หมดที่ทำไงเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิฟั่นจนฝ่าเท้าแตงโหยไม่ทํา <c> ท <oughs> ่านจะไปทไาาาําอะไรจนฝ่าเท้าท่านแต่กจะหาอะไร คาทัพแต่ก็พุ่งฟาดกับกิเลสต่างหากนี่กิเลสมันตายหมดแล้วไปฟาดกับไตีลมตีด้านก็ว่าบ้าเลยี่ถึงขั้นรู้ไม่รู้เองสันติสิโกตั้งแต่พระทำขั้นต่าจนถึงขั้นสูงสุดนอกเหนือไปสันติสุโกไม่ได้สัโกเป็นขั้นขั้นเลยลำดับลำดับสุดท้ายเป็นกระดูกครองว่าปฏิบัติเวรวิญูท่านรู้ต่างหารู้เฉพาะตนผู้หลงมันรู้ไม่ได้ท่านึงบอกว่าินยูวินยูอันท่านรู้ท่างหายรู้เฉพาะตน หมายถึงผู้รู้ผู้รู้เฉพาะตนนั่นคือหมดเกี่ยวหมดเขาเอะไรอะไรออกอุ้วะ อ, อะไรไปเที่ยวเที่ยวกับอะไรเที่ยวกับใครต่างอันต่างจริงอยู่นั่นแล้วก็กะทบกันได้องไปแข่นกันได้อย่างไรการนอนพิงกางเวลาม า, า, นะมมาวมศึกษามันนของไม่แน่นะอยู่กับครูว่ารั มีความพักภูมิันเต๋าทำไปได้ทั้งเต็มทั้งขายเป็นได้ทุกเรื่องขึ้นมาเวลามีโ อ, อาการให้ทำมีเบื้อั่งฝ่ายกุ้งแดงนี่ก็กำลังล้มลาอะไรก็ช่วยลงไปช่วลงไ ป, งไปนี่ตามนิสัยเจ้าของแล้วมันโดดนี้ไปอยู่คนเดียวนะนี่ก็เพราเห็นแต่หัวใจนั่นเองหัวใ จ, จแต่ละดวงนดวงมีคุณค่านี่เราก็ทนเอา ล, ลาําพังตามนิสัยเจ้าของ มันเป็นอย่างนั้นนะถ้อาอยู่สบายสบาที่ไหนก็ไปลงอยู่โรงยามาลไม่สนใจกัมนมาอายาบบรุงบำงเดี๋ยวโอ้โหฟาดเขาป่านทีเดียวไม่ได้ปองหมามดีถึงที่เดียวแล้วสบายเลยมันก็เจ็บทั้งปวงวก็เป็นดีเนี่ยอยู่ในโลกอันนี้โลกเขาเป็นทั้งโลกมันจะมีเศษแต่เราคนเดียวไม่เจ็บไม่ปวดเป็นอะไรมีเหรอเนี่ยใส่ไปเต็มป่าเต็มโลกตรงนี้เขามีโรงพยาบาลมีหยุดมียา มีโมดมีหมอที่ไหนเขาทำไมเขาไม่ศูญพันธุ์เขายัมีอยู่ได้ทําไมเราเป็นคนทั้งคนจะอยู่ไม่ได้ อ, อย่างนั้นสู้สันไม่ได้ไสิอยู่ไปเลยยุ่งพยาวไปความรับผิดชอบในวงคณะมันก็เป็นภาระอันหนึ่งเมื่้มายึดไม่ถือมันก็เป็นภาระอันหนึ่งดีต่อไปแล้วมันเป็นอันหนึ่งความรู้สึกนี่มันจะเปลี่ยนทันที อยู่ในวงหมู่คณะความรู้สึกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยออกจากวงหมู่คณะไปแล้วความรู้สึกมันต้องเป็นข้งมันอย่างนั้นมันรู้สึกมันเองนี่ไปที่นี่เห็นสิ่งนั้นแต่ที่นั้นรู้สิ่งนั้นเป็นรู้สิ่งนั้นที่ไม่เหมือนกันความรู้จะเหมือนกันได้ไงมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องไปอ่ในป่าสบายกินแะ้รก็สบายไปหมดสัตว์ก็กินอะไรก็กินได้เลี้ยงตัวก็ได้อาหารมนุษย์คืออะไรเนี่ย มนุษย์เขากินกันได้ยังไงเ น, นี่ยล้วก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่เรากินได้เหมืนอนกับเขาอพอยังชีวนี่เป็นไปวันหนึ่งหนึ่งเนั้นมีอะไรที่สษวิโสในโลกนี้ไม่มีอะไรกินก็พอยายาท่าแขนนี่เป็นปายเท่านั้นจะเอาฮับก็มิเศษวิโสสักสิบอะไรจากอาหาร ม, มีเหลอถ้ามีจากอาหารแล้วมนุษย์นี่เรานี่กินเี่ยมกินเออกินอะไรกินกี่ปาคะกินพิจรดาไม่มีใครเกิดมนุษย์มันควรจะวิเศษกว่ามนุษย์สัตน์ทั้งาไปนานแล้วแต่มันก็จมอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันเนี่ย นี่นานัานนเลยมาเป็นอยนั้นแล้มันจะไปะติดอะไรมันก็อยู่ได้กินได้ไปทั้งนั้นแหละเครื่องอาศัยไปทาตื่นอะไรก็คืงนตื่นอยู่จะเรียก ว, ว่าฉลาดเลื้อสอนเจ้าของไป็นฉลาดหนูจะเปโง่อยู่แลือรู้แล้วบครัที่สองอลยท่านรรยายไหจะอธิบายหมูว่ามันตังก็อาายท